โรงทานที่สนามบินภูเก็ตย้อนไปถึงคณะที่เดินทางไปช่วยอีกคณะหนึ่งคือชุดโรงทานสีไทยใหม่ของคุณธนันชัยซึ่งก็ไปด้วยจิตใจดวงเดียวกับพวกเราพอทราบจากทางโทรทัศน์ว่าผู้ประสบภัยสึนามิได้สูญเสียบ้านและทรัพย์สินอื่นๆกันแทบจะหมดเนื้อหมดตัวก็เกิดความเป็นห่วงว่า พวกเขาจะกินอยู่กันอย่างไรอาหารและที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหลักที่ขาดไม่ได้ของมนุษย์เราอยู่แล้วคุณธนันชัยจึงได้กราบเรียนหลวงตาให้ทราบว่าทางสีไทยใหม่ของหลวงตาจะไปแจกทานแก่ผู้ประสบภัยสึนามิท่านจึงเมตตาให้กลุ่มโรงทานสีไทยใหม่ประมาณ20กว่าชีวิตออกเดินทางโดยรถ10ล้อสองคันและรถส่วนตัวอีกหนึ่งคันมีพระกับคารวะติดตามกันไปอีกสองคัน ออกเดินทางตอนกลางวันของวันที่27ธันวาคมวันเดียวกับที่คณะของเราไปพังงาแต่ชุดของสีไทยใหม่มุ่งไปภูเกต็ตโรงทานของสีไทยใหม่ไปตั้งอยู่ที่สนามบินภูเกต็ตเนื่องจากทางทหารอากาศได้ขอความอนุเคราะห์ไปทางคุณธนันชัยเข้าไปตั้งอยู่ตรงปีกหนึ่งของพื้นที่สนามบินด้านนี้ไม่ใช่ทางขึ้นลงของผู้โดยสารเป็นบริเวณที่จัดเป็นพื้นที่สาหรับชาวต่างชาติ รวมทั้งคนไทยที่รอดชีวิตและรักษาตัวจนแข็งแรงพอจะเดินทางไหวมารอการเดินทางต่อไปคณะรงทาาก็ได้มีโอกาสดูแลบุคคลเหล่านี้ด้วยที่ภูเก็ตนี้มีชาวต่างชาติประสบภัยเยอะมากสนามบินจึงเป็นศูนย์กลางที่ชาวต่างชาติจะดูแลกันจุดที่ไปตั้งโรงทานจึงเป็นจุดที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ประสบภัยรวมทั้งผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อมาติดต่อประสานงานในการนี้ มาประจำอยู่ด้วยโรงทานสีไทยใหม่ใหญ่มากมีแม่ครัวมากกว่า20ชีวิตต้องใช้พื้นที่กว้างขวางมีความปลอดภัยมีห้องน้ำห้องท่าใช้สอยสะดวกและเป็นบริเวณที่ใช้ประกอบอาหารได้เมื่อทีมงานไปถึงในตอนเช้าสถานการณ์ก็ยังชุนลมุนอยู่แต่การงานทุกอย่างก็ต้องเริ่มทันทีอย่างอัตโนมัติได้มีการนัดแนกกับทางซีพีผู้ให้ความอนุเคราะห์รายใหญ่อีกคณะหนึ่ง นำวัตถุ ด, ดิบในการทำอาหารคือไก่ส่งมาให้ทางเครื่องบินพอของลงจากเครื่องก็เอาขึ้นรถสิบล้อคนมาเข้าโรงครัวและเอาลงกระทะทอดทันทีสุกแล้วแพ็คลงกล่องเป็นอาหารรายการหนึ่งร่วมไปกับอาหารอื่นๆเช่นข้าวขาวหมูส้มตำซึ่งเป็นอาหารที่ทำได้สะดวกในสถานการณ์นั้นเราต้องทำในปริมาณเยอะมากในวันหนึ่งหนึ่ง โรงทานของเราต้องแจกจ่ายอาหารกล่องออกไปบางวันถึงสา0 0 0ื่นกล่องกระจายไปให้ผู้เดือดร้อนในทุกจุดคณะในทีมโรงทานของคุณธนันชัยแห่งสีไทยใหม่มีอาทิเจ้หัวกับตันเหียเสงเจ้หนูยา ย, พายัพบุญจูมเป็นต้นส่วนทางส้มต่ำนั้นก็มีพวกลูกศิษย์หลวงตาหลายคนและคณะศิษย์อาจารย์คูนมีจิตศรัทธามาร่วมด้วย พอขึ้นป้ายโรงทานของหลวงตามหาบัวญานสัมปันโนก็มีคนเข้ามาช่วยเหมือนพี่น้องครอบครัวเดียวกันที่มีพ่อแม่ครูอาจารย์องค์เดียวกันคือหลวงตามหาบัวญานสัมปันโนลูกศิษย์ชาวภูเก็ตชาวพังงาต่างก็เข้ามาร่วมทํางานบูนในครั้งนี้ทั้งลงแรงลงเงินจัดหาวัตถุดิบปรุงอาหารอุปกรณ์ต่างๆกล่องใส่อาหารมาให้แสดงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของเหล่าลูกศิษย์ ทุกคนสนิทสนมกันได้อย่างรวดเร็วจากความที่มีจิตเป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันต่างร่วมแรงร่วมใจช่วยกันคนละไม้คนละมือทีมส้มตาก็มีคนไม่น้อยไปกว่าทีมไก่ทอดมีอาทิกรอบนิยมชมัยพรสมพงศ์ภัยจิตประมวลและเชิญเป็นต้นข้าวสารได้มาจากโรงทานสีไทยใหม่และจากคลังของหลวงตามีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวส่งมาจากอุดรธานีโดยรถสิบล้อ Oh, oh, oh.